กมันในวิธนะีเรื่องเกี่ยวกับค้าพบุปผังเนี่ยเราได้ไปฟังในงานสัมมานาใช่ไหมอาจารย์ศิลานันท์เคยบรรยายแล้วใช่ไหมครับอาจย์อู่ชั้นสองอ่กชั้นสองที่นี่ก็บรรยายนะทีหนึั บ, บแล้วก็ที่ว่าก็ะธาตุพันธ์ยืนชั้นล่างใช่าาไหมครับผมก็อยู่ชั้นแรกมันได้ไปฟังด้วยแต่เนี่ยก็ได้ฟังที่เนี่ยที่วันที่แกบรรยายก่อนนะครับ แบบมีสองห้องผมก็ชอบอีก ja ข้างหน้าแล้วก็ดูด้วยนอาจารย์ในบรรยายนะครับเราไปนะครับนะอังวสวดวิธีหน้าร้อแปดสิบห้าข้อที่แปดสิบเอ็ดนะครับพิสูรรูปใด้ร่วมกันกับสงผู้พร้อมเพียงกันให้กีวรแก่พิสูรผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทางานสงมีแก่อาหารเป็นต้นไปแล้ว พึงถึงการสี่เตียงไทยหลังอย่างนี้ว่าพิศสู่ทั้งหลายน้อมลาบสงไปแก่พิศสุตามที่ขุนเคยกันต้องอาบัการสี่หมาเพราะว่าตอนแรกนะท่านก็พร้อมใจกระสงนะไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไไดขค้าอะไรนะก็เห็นดูนะร่วมใจกับสง ให้จีวร น, นะครับแก่ผู้สูงผู้เป็นเจ้าหน้าที่นะใ<ม>นรั้งการสูงแก่พระสงค์ครับเป็นเจ้าหน้าที่แจกอาหารเป็นต้นนะดูไปเจนที่แจกศาสนาใช่ไหมเป็นผู้ที่เสียสละนะครับทงางานเพื่อประโยชน์แก่พระสงค์นะมีความมีความชอบเกิดจีวรทั้งเก่าทั้งเก่าจีวรเก่ามากนะแล้วก็ผ้าใหม่ก็ไม่มีใช่ไหมนะครับมีแต่ผ้าเก่าทุกขาแล้วนะแต่ว่าประสงค์มีจีวรใหม่อยู่ประสงค์ก็เลยพร้อมใจกันนะครับ ไรนะตัดประโลกใช่ไหมให้ใหีวงแต่ท่านนะครับตัวเองก็เห็นชอบด้วยไม่มได้อะไรนะพอสพิทธประสงค์แต่พอมาที่หนังว่าให้ไปแล้วนะครับก็กลับมาติีเตรียมประสงค์ที่หนังนะว่าประสงค์ลำเอีย้ย <c oughs> ให้ก็เห็นแก่น้านี่เพราะว่าชอบคอคนนี้ก็เลยไปให้เขาหนะ่อยทาไมพระสงฆ์ทำอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จย่ต้องบัดปานิติ์ตีในสิกงาบทนี้เวรเจ้าหน้าที่เสียสละจริงนะ ยอยอางยุบราชาเจหน้าที่สินธนาใช่ไหมหรือว่เจนที่รองคังก็เหมือนกันนะจากของเล็กน้อยนะท่านเราผิดชอบละลายตําแหน่งนะครับแต่ว่าไม่มีคำว่าเสียเปียกมีแต่หน้ากันหน้าอาจารย์เราเคยบอกว่านะครับชาตินี้ท่านรับใช้ประสงค์นะชาติต่อไปคุณต้องประเทศจะรับใช้ท่านนะครับคไม่ต้องกลัวเลยคุณทํางานสงช่วยเหลือกสงใช่ไหมรับใช้ประสงค์ในชาตินี้นะครับอันนี้สงเยแยะมากมายามานะ ะะ อ, อาจารย์ก็ว่าที่นี่แหละชาติต่อไปคนทั้งชาติคนทงประเทศเลยนะจะมาเล่าใช้ท่านนะครับมีบริวารมีอะไรไม่ต้องกละะัวนอครับขนาดนี้ น, น, ะ, ะ, <c oughs> น, นะมีอันฝั ง, งะะมาดูนะต้องบรรยัติมาแต่พ่อจะขี่คี่น ะ, ะนพ่อจะคีหมอนเดินต้องไมชครับ เรื่องปัตตผ้ามรบุตรโดยสมัยน like ั้นผู้พระป้าพู้ไเจ้ hmm าประทําอยู่หน้าพระเวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยี่ยงแก่กระแตเขตพระนครมากที่สุดครั้งนั้นท่านปัตตผ้ามรบุตรจักเสนาสน่าราจานอาหารแก่สงแต่ท่านเป็นผู้มีจีวรเก่าสมัยนั้นมีจีวรผืนหนึ่งเกิดขึ้นแก่สงสงจึงได้ถวายจีวรผืนนั้นแก่ท่านปัตตผ้ามรบุตร พวกก็เจ้ากคีพากันแพ่งทเทอดติดเตรียมพุทนาว่าพิสุททั้งหลายน้อมร่างของสองไปตามชอบใจเห็นไหมพเพราะว่าชอบพอกันก็เลยไปให้นี่นะให้สุไรตัวเอ ง, องก็พร้อมเพียงกันส่งให้ไปแล้วนะคะนนรับก็มาติดเตรียมเมื่องที่หลานบิดาพิสุที่ผู้มั่งเน้นสนุนต่างก็เพ่งทอดติดเตรียมพุทนาว่าฉทนายก็เจ้าก็ี่กับสงผู้พร้อมเพียง ก, กันให้ชีวรจะแล้วภายหลังจึงได้ถึงทรรมคืบนบ่นเล่าและการนุ่นแดดเม้าเจ้า พู้ทวง ก, ก็ส่องศอกถามประจําี ส, อญญาสา่องติดเตรียแล้วก็มบรรยากาศขาแบนี้ขึ้นมาถ้าจะพูดถึงจีวอลนะจีวอในที่นี้นะครับเอาผ้านะครับถึงแม้มันจะไม่เป็นจีวอเป็นผืนก็แล้วแต่ขนาดว่าพอวิสระได้นะครับยี่สิบห้าคูณห้าสิบใช่ไหมก็ชื่อว่าจีวอลนีแล้วนะครับนี่คนวะามว่าตามชอบใจนะคิดว่าก็เห็นแก่หน้าอะไรตามความพอใจเตรียมผสมนะครับว่า ตามความที่เป็นไมตรีกันเพราะเป็มิต mm รกันใช่ไหมตามความที่เคยเห็นกันนะครับตามความที่เคยคบกันตามความที่ร่วมประชากันตามความที่ร่วมอาจารย์กันนะครับมันก็ว่าเห็นแก่หน้านะเพราะเป็นมเป็นทหารเป็นเพื่ออะไรกันใช่ไหมมิตรเป็นประชาอาจารยก็เลยจะให้ท่องอนั่นนครับก็มาดูข้อที่มาในตังขายนะครับ หน้าสองน้ยสี่สิบ้าะคอนี่ไม่ต้องพูอะไรของที่มาเยอะเลยนะนะครับอ่าีพูดแต่เงื่อนว่าลาคำ่าลานี่หนึ่งลาพะนะครได้แก่ชีววิบินบาทเลนสนาและเทสะบริคารันประจายของพิสุขค่ายโดยที่สุดแม้แต่ก้อนจุน ม, าม้าชําระปันดานชาผ้าชอวาลานะครที่บอกว่าติเตรียมผูสสงว่าน้อมลากสงใช่ไมนะครั บ, นะรบพ้อหินแก่หน้านะครับนะ ลาศคืออย่างนี้นะความจริงลากแปลว่าของที่พึงได้นะรัชื่อว่าลาศอันนี้ติดเตรียมเพราะการให้จีวร น, นะจะต้องบัดไปจี น, นสิขาบนนี้แต่ถ้าเป็นการให้บริการอย่างอื่นแล้วก็ไปติดเตียงนะครับก็จะต้องบัดทุกข์ก็มาดูนะในหน้าสองวันสิบสิบเก้าเนี่ยนกลางค่ำข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยทับถาดข้อนี้ก็อูนน้ทำไมอธิบายทุกพระลากศิขาบุ พึงาาทราบอธิบายสิขาบทที่สิบเอ็ดต่อไปคําว่าสมัคเคนะสังเคนะกลับด้วยสองผู้พร้อมเพียงกันความว่าเป็นสมานะสังวากับสองนะครับเพรว่าไม่ได้ถึงโยกวันนะมีสังวาสสมมุติกับสอนะครับอยู่ในสีมาเดียวกันให้จีวรแก่พิสุทที่ได้รับสมมุติให้เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรบ้าง เขาบอกว่าจะหน้าที่จจกเนสนาะชนะแจากอาหารแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจากของเคี้ยวแจกของเล็กน้อยอะไี้ครับคําว่ายัถาสันตุตังคือพิสูจใดๆคุ้นเคยกันทางเป็นเพื่อนคบเพื่อนเห็นนะครับเกลอเพื่อนคบก็เพื่อนสนิทนะเพื่อนเห็นก็ไม่ไม่สนิทนะครับสองให้แก่พิสูจน์นั้น คำว่าปาจิตยังคือตอนเองพร้อมเพียงกับสงฆ์ให้จีวรแก่พิสุจที่ได้รับสมมุติให้เป็นเจ้าหน้าที่แจงเสนาสนะเป็นต้นอย่างนี้ภายหลังกับติเตียนต้อมบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดมันต้องเป็นนักโทษาแน่นอนใช่ไห ม, ม น, น, นะครับเหตุนนเกิดแล้ประเภทอาบติสิขาบนนี้พิมพาพระเจ้าทรงปรารดพิสูจนปวฉพาีในเมืองราชสุือ บรรยัติไว้วรกต้อเห็นคือการติเตียนสงภายหลังจากที่ได้ให้จีวรแกพ่พิสุที่ได้รับสมมุติให้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นสาธารณาบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับอนันติกะนั้นไม่เกี่ยวกับการใช้น้องติเตียนเองเป็นอาบัติกรรมที่ชอบด้วยธรรมเป็นติกะไปตีเลยนะครับอันนี้นะหนังนะครับกรรมที่ชอบด้วยธรรมหมายถึงว่ากรรมคือการสมมุติเป็นเจ้าหน้าที่นะะเราเป็นกรรมที่ชอบทำ จะรู้นะครับสงสัยเข้าเข้าใจสงสัยในความผิดอะไรก็แล้วแต่นะไปติเตียนนะครับ <c oughs> ต้องอัปบัดไปอีกทีเท่านั้นเป็นติกักฟังจิตตีแว้งจีวรเสียเนี่ยติเตรียมเพราการให้บริการอื่นที่เป็นระหุพันต้องเป็นระหุพันด้วยคือของที่แจง ก, กันได้แบ่งกันได้ต้องอบัดทุกกฎนะครับเนี่ยพอผู้อย่างระหูพันปุ๊ ถ้าใคจะพูดถึงข้าุ้พันเลยนะครับเรื่องข้าวุ้ยพันนะครับถ้าใครจะไปดูตามนะที่บานยยเรื่องข้าุ้พันนะครับอยู่ในพระวินัยปิดอกเล่มที่9นะครับหน้า๒๑๑นะในดอกเล่ม9หน้า๒1๑ไม่ได้เขียนไม่ดีรไม่ได้เขียนห อธิบายละเอียดคือตรงเรเนี้น่นายวินัยคือหลวงจะอธิบายชาต่กว่าเพราะตัง น, นี้นะครับเขาเขียนติดการเป็นพืชเลยนะไม่ได้ค่อยเลยเว้นว่างตอนอะไเท่าไหร่นะครับเขาพิมพ์ติดเป็นพืชเพราะมันจะดูยาก น, ยนะครับถ้าเราไปดูนั้นวินยัยเกี่ยวงจะง่ายกว่าให้ทําทเป็นว่างเป็นตอนอะไรเรียบร้อยกว่านะครับมนดูนะครับ ประเภทของสงชื่อว่าของที่แจกกันได้แบ่งกันได้คือของที่ไม่ใช่คลุภัน์ซึ่งแจกกันไม่ได้จึงอยู่คลุภัน์มา่อพระเจ้าตัดไว้เป็นห้าหมวดคือเกี่ยขลุภัน์เนี่ยก็มีเรื่องราวความเป็นมานะคือมีอยู่วันหนึ่งนะที่สุดทั้งหลายนะก็คือว่ากุฏิที่อยู่ชนาชนะของสงเนี่ย <c oughs> เวลาแจกให้กับพระตัดที่เข้ามาวัน มันลําบากใช่ไหมต้องให้ถือว่าการเป็นระดับลําดับพรรษานะบางทีก็ต้องมีการย้ายคนนเข้าเอาคนนี้ออกใช่ไหมครับมาดึงดึงอะไรก็ต้องมาต้องรับบทเลยนะถ้ามาแจกมาอะไรให้นะครับเรื่องสื่อนเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเขาก็เลยเอ้าอกุฏิในวัดทุกหลังเนี่ยย้อนที่สุทรุ่นนี้ไปเลยแจกท่านไปเลยครับไม่อยางได้มีของส่วนตัวบุคคลไยจะได้บริหารง่ายๆหน่อยคนหนุ่มสนาสนานนี่ก็ไม่ต้องกลัว ทุกหลังในวันนี้เป็นของบุคคลหมดเลยครับเนี่ยก็เลยแจกให้พิ่ศืบรุ่มไปเลยนะครับทีนี้ก็มีผ้าบรรยากาศมาก็เลยมาถึงนะครับก็เลยมาขอที่พังนะเขาบอกเอากุติของสองไม่มีแล้วไม่มีกุฏิสองแล้วเนาะสองนั้นยกให้เหงี่ยบพี่สืบรุมนั่นแต่แล้วนะครับ <S <S พี่สูบมนี่ก็เลยตีเตียนนะครับ <S <S เรืเ่นไม่ไดเตึงกุ้งดิาจันะพรก็เลยพูดเรื่องข้าวุ้นผานนี้ขึ้นมานะ แล้วก็อีกเลี่ยงนึงครับอันนี้เกี่ยวกับารแจกใช่ไหมแจกให้คนในคนหนึ่งไปเลยอีกเลี่ยงนึงครับอีกเลี่ยงนี้เรื่องพระอะไรนะแมติยาคุ ม, มัชกะอันนี้ก่อนนะอัศจิคุณัคปสุกการนะครับสองรูปที่ประจบรุษร้านตระกูลใช่ไหมประจบประจัยขมิทธะใช่ไหมครับน่าจะอัศจิคุณัคปสุกการ์นะความจริงแหแกเป็นรูปสิ่งของพระมงค์พานักประสานอิบุณนะนะครับ เป็นสถิติบวกนะกับพระโมคคายณะพระสารีบุตรนะครับแต่ตนหลังจะไปพื้นตัวไม่ดีนะครับและก็กลับนะครับไม่ชอบใจพาะคราสาวทั้งสองลูกนะครับท่านี่เป็นอุปราชอาจารัวเองน่าไม่ชอบนะครับอย่างนี้เพราะว่าตกรงพื้นตัวไม่ดีเนี่ยพื้นตัวไม่ดีนะครับอย่านี้สมัยหนึ่งพุทธเจ้านะครับพร้อมด้วยวสุทธิสมาห้าร้อยลูกนะเสด็จไปยังรับอารมีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ย และอาลาบีใช่ไหมนะครับอ๋อไม่ใช่กีตาร์คีีชนบทติดพวกนี้อยู่นะพร้อมไปสู่สองห้าร้อยลูปทั้งภาษาถุนและ้าพมงคลคณะนะครับ้าปพสิจุนัก็สุกก็ได้ข่าวนะครับว่าพระนุ่งเสศษมาพ้อมนุ่สู่สองห้าร้อยลูกนะมีภาพพระสาวชั้งสองมาด้วยนะรัก็เลยคิดกันอย่างนี้นะว่าพวกเราเนี่ยมันตกลงแบ่งเสนาคณากันเถอนะครับแจกบุตริกันเลยนะครับคนละหลังสองหลัง ให้หมดเกลี้ยง ว, วาดไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วเวลาพลาะระพระสาวทั้งสองมาเน่ยแม่ท้อนท่านอยู่นะเพราะว่าสองรูปนี้นะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าพ่อพระสารีบุตรและพออระโมฆานะมีความปัญนาล้ามกเนี่ยว่าพระพระสาวองอย่างนี้เลยนะครับไปเสวนแม่ความปัญนาชั่วช้าพวกเราจะได้ไม่ต้องจับเซนาสนะถวายท่านนะครับเนี่ยพวกนี้ไม่ดีนะครับ แกก็เลยได้แบ่งชนะนะของสองุทิที่อยู่นะแบ่งให้กันหมดเลยนะครับพอพระองค์พร้อมด้วยพิสุส่งสเสด็จมาถึงนะพระองค์ก็รับกษงการพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายพวกเธอจงไปหาพิสุพว้อัตชิและสุนัขพิสุกะแล้วบอกอย่างนี้ว่าทั้งหลายที่มาาจจั่วพลาดเจ้าเสดมาพร้อมด้พิสุ ส, งส่งอยู่อย่างประมาณห้าร้อยรูปทั้งภาษ า, ล า, า, ลาและพระโมคลานะขอท่านจงสรรหาินะชนะถวายมั่วพลาดเจ้า <c oughs> พิสุงสงและสารบิบุตรพระโมคคัลลานะนะครับพิสุ น, นั้นก็ไปบอกนะพระอาชีพบุนัตปสุการนะครับก็เลยกล่าวกับพิสุเหล่านั้นนว่ากล่าวว่าอย่างไรเนี่ยถ้าต้งร้ายเะนาสนักของสงไมีมีไม่มีแล้กติสงนะนะครับพวกผมแบ่งกันหมดแล้วเมื่อพานเจ้าเสร็จมาดีแล้วรงทรงพระประสงค์จะประทับในวิหารใดก็จง ก็จัประทับในวิหานั้นใช่พุทโธมีให้พุทองทรงเหลือได้ตามอภิยาศใส่เลยนะครับอย่างประทับอยู่หลังไหนนะแต่ว่าภาษาดูแลพระโมกลาะณะมีความปัญนารามกไปสูนหน้าของความปัญนาช่วช้าพวกผมจะไม่จัดหาสินาศนาถวายท่านครับจึงสงฆ์ก็เลยถามว่าท่านหงาพวกนั้นบศนาสนะของสงหรือเป็นสนาะขอละเวลารู้สึกผู้มากน้อยสุดโดแต่ก็แค่เท่า้องดเจตุนา ว่าทำไมถึงแบ่งเป็นหนักสองสองล่างรั้งรวงก็เลยสมงแสดงเรื่องข้าวุปหานี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งลยครับของที่จักกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้มีอยู่ห้าหมวดด้วยกันนะครับเราดูนะนากลับมาในกลางขานะครับหมวดแรกหมวดพื้นดินนะครับและของปลูกสร้างเป็นอาราแท่านก็จะเรียกภาาบาลีว่าอาระนะครับ อาลาร่ก็คือของปลูกสร้างในอาลาร่ตลอดจนถึงต้นไม้อาลางเนี่ยแปลว่าสวนนะครับได้แก่สวนดอกไม้สวนผลไม้นะที่ก็าปูกไว้ในวันนะครับนั่นแหละชื่อว่าอาราร่อาลาร่ที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่ากุฏิเสนาสนะนะมาถึงสวนนะครับสวนดอกไม้สวนผลไม้ที่ไหละทั้งหมดนะ้นะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนะครับอาลาวัตถุนะครับคือที่ดินของอาราร่ ก็แต่พื้นที่ของสวนนะพื้นที่เขาปลูกสวนด อ, อกม้ถึงผลไม้อหลรนะครับอันนี้คนจีนไม่ใช่พื้นที่อย่นั้นอย่างเดียวนะแม้พื้นที่ที่เขาเตรียมไว้นะครับเพื่อจะปลูกสร้างสิ่เหล่านั้นก็แล้วแต่ครับอันนี้นาาก็เชื่อมอารามวัตถุพนั่นแหละอันนี้คือหมวดแรกนะมันจะมีสวนง่ายๆสวนพื้นที่สวนสองหมวดพื้นดินครับและของปลูกสร้างพันวิหาร แน้แก่วิหารคือกุฏิที่อยู่เซนาสนะอะไรทั้งหมดบางทีนะเรียกวิหารนะครับวิหารวัตถุก็คือพื้นที่ปลูกนะครับพื้นที่สร้างใช่ไหมพื้นที่สร้างกุฏิเซนาสนะครับชิมิหารวัตถุง่ายๆคือกุฏิที่อยู่เซนาสนะสงแล้วก็พื้นที่ที่ดินนะครับที่สร้างกุฏิเซนาสนะเนี่นะคุณนี่แจกไม่ได้นะครับเรแบ่งคนละไร่คนละไร่์เสร็จเลยนะไม่ได้นะครับ พื้นที่พื้นดินก็แบ TA ่งไม่ได้นะครับวิหารนี่ก็แกกไม่ได้นะแล้วก็สามนะครับหมวดของเสนาสนะได้แก่จําพวกเตียงต่งผูกหมอนนะครับคนนี้ก็เป็นค้าวผุ้พันทั้งหมดนะเตียงจะเป็นเตียงเล็กเตียงใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับผูกหมอนไม่ได้เลยแม้แต่หมอนเบาๆที่ไม่ยันุสัมบริณไม่ได้หนังนะแต่ก็เป็นข้าวผุ้พันนะครับ ข้าวุปันเนี่ยข้าวุปัสสากุริว่าหนัานะไม่ได้เป็นจะต้องเป็นของที่หนักนะครับเพราะว่าค้าวุปันเนียเพาะว่าเป็นของที่แจกกันไม่ได้นั่นเองนะมันก็เลยมือของหนานะนะครับแล้วก็สี่เครื่องโลหะที่เป็นภาชนะและเครื่องมือได้แก่ของจําพวกหม้อโลหะแอ่งโลหะนะครับบางที่ก็บอกว่าเป็นหายเป็นขวด น, นะกระถางโลหะขวด น, นะครับ กระทะนะกระทะโลหะมีดใหญ่หรือพลาโตขวานพื้นสำหรับฐานไม้เจอะหรือเสียงสว่านนะครับหรือว่าซิวนี่นะเดี๋ยวจะมีคําอธิบายนะครับไอ้พื้นเนี่ยมันคืออะไรนะยขวานโยนใช่ไมครับข้าวไว้ไปฐาตาฐานไม้ใช่ไครับตัดได้ถาดได้ครับนันคือหลายอย่ พอมันตัานก็ได้นะแต่ถ้าเอาก็ได้มันเหมือนกับขว้านั่นแหละแต่ว่าให้หลวงพ่อว่าให้นะคับคือผมเว่าจะถามคืนมัเป็นผมก็ฟังเข้ามานะครับเจอที่มากหัวเป็นยังงนี่ฟีมันดาวมันดาวนะครับอ๋อมันก็เหมือนว้า ปีมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ลูกรูกฝานแงไปจะเป็นอย่างนี้อ๋อจะใหญ่หน่ยใช่ไหมครับใหญ่ขว่าฝานธรรมดาใช่ไหมครับคือยาวใหญ่ประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณประมาณนี้เลยนี่อยากไปไอฝาได้ยาวไอด้านมันก็จะยาวประมาณครับทําโอ้ยาวขนาดนี้ต้องแข็งแรงนะทาได้ ไอ้เนี้ยมันก็จะหมุนได้รอบเลยอ๋อค่ะอ้าวให้ไปไปกล่าวแต่เวลาเราตากผ้ามันจะหมุนเปี้ยวเลยนี่นี่พนี้มันจะมีแบบสวนไม่มีเนาะไม่มีอ๋อมันมันจะอยู่ได้หัวมันมันต้องมันทําอะไรขึ้นอย่างให้มันล็อกมันมันจะหมุนได้เลยจาวไปอยู่ท่านี้ก็ได้อยู่ป่าก็ได้อยู่อะไม่ต้องไปตัดเออ จะเอาบนแน่รักแร้เวาถากถ้าคนถากจาิงๆเขาจะเหยียบไปข้างหนึ่เวลาถากพายเนี่ยนะครับเจะเหยียบไปข้างนึงเจ้าแม่นั่งก็จะมันจะลื่นลื่นค้างถ้าคนเหยียบไม่เป็นก็ถาขาเลยถอรรต่อไปครับเนี่ยนะเหยียดท่านจะอธิบายหะเอีกครับ ต่อไปห้าเครื่องสําหรับอะเครื่องสนะัมภาณะนะจะมาทําเสนนาสนะเครื่องใช้นะครับได้แก่ของจําพวกถาวัสรสมัยก่อนถาวันใช่ไหมเข้ามาทํามันใช้แทนเชื่อกนะครับเอามาถูกนะสร้างบุตรศรีเสนนาสนะครับไม้ไม้ไผ่หญ้ามุกกระตา่ายนะครับหญ้ามุงกระตา่ายเป็นยังไงเป็นหญ้าที่เขาไปมุงหลังคาได้นะครับอย่างนนะี้แต่ไม่ใช่หาท่าไง ไม่ใชหญ้าคาครับหญ้าคาก็หญ้าคาหญ้ า, าต้องนะครับหญ้าสาหม์อ้าว่าเป็นหญ้าที่เอามาบุงหลังคานดนะครับดินเหนียวนะครับเนี่ยเขาก็ยังมาทํานะดินเหนียวท้อบ้านดินได้ <c oughs> ใช่ไหมดินเหนียวนะแล้วก็ของทําด้วยไม้นะครับของทําด้วยดิ น, นคเครื่องไม้เครื่องดินนะที่ เอามาเป็นธ่าบาสัมาพานะในการสร้างมูิสนาสนะได้นะครับนี่นขุปภัณฑ์ที่เป็นของอันนี้ห้าหมู่แล้วใช่ไหมนี่ น, นะครับห้าหมู่มันจะมีหมู่แรกใช่ไหมอ่านะครับสวนพื้นที่สวนจำไว้นะไอหมู่แรกสวนพื้นที่สวนหมู่ที่สองนะครับเขาเรียกอาราอาราณ์วัต ถ, ถุวัตถุว่าพื้นที่นะหมู่ที่สองอ่ะมูลที่อยูใช่ไหมครับ แล้วก็พื้นที่กุฏิที่อยู่เรียกว่าวิหารวิหารวัตถกนะครับ mm hmm. อันที่สามเป็นเครื่องโลหะต่างๆนะครับ mm hmm. อะไรมีดขวานอะไรพึงจอบสิวตรงนี้นครับมีดขวานพึงจอบสิวนี่นะนะเครื่องโลหะไม่ใช mm ่ hmm. อันที่สามันเตรียงจาผู้หมออัที่สามเตียงจาผู้หมอนะครับอันนี้สี่เครื่องโลหะนะครับมีดขวานขวานพึงจอบสิวอันที่หก mm hmm. ก็เป็น เท่าภาสัมภาะระข้อห้านะก็เป็นเครื่อท่าภาคสัมภาระในการสร้างปฏิเสธนั่นคือเครื่อมาเครื่องดินต่างๆนะครับนนี่ยนะห้าอย่างอันนี้เป็นขลุ่ยพันนะครับแบ่งกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้ขลุ่ยพันที่เป็นของสองนั้นห้าไม่ให้สละนะนะอันนี้แก้นะครับห้าไม่ให้สละหรือว่าแจกเพราะแบ่งก็ไม่ได้แจกก็ไม่ได้ให้แก่สงคณะหรือบุคคลไม่ได้เท่า น, นั้น พิสูจนะหรือผู้อื่นไม่ได้เลยถ้าเกิดแจกกันเข้าหรือสละก็ยังเป็นของสองอยู่อย่างเดิม mm hmm. ไม่ถือว่าเป็นอันแจกนะครับใครถือไปนะก็ถือเอาของสองอมาติดตัวไปเรื่เยๆครับ mm hmm. ไม่เป็นของส่วนตัวอะไรนะมีโทษนะครับอันนี้เนะี่ยไม่ได้เลย <c oughs> แต่ที่กําหนดหานวัตถุด้วยฐาวนวัตถุและกําหนดประโยชน์ของสองนอกจากนี้ ด้วยของที่ไม่ใช่ฐาวนวัตถุที่เป็นอัจฉริยะหรือด้วยของกัปติยะที่มีค่ามากแล้วจะแจกด้วยวิธีสมควรควรอยู่นะครับอันนี้อันนี้หมายความว่าอย่างเนี้นะหมายความว่าพวกนี้เนี่ยมันแจกก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่สามารถที่จะแลกไ ด, ได้นะครับอย่างเช่นฐาวัตถุนะอารามอารามวัตถุวิหารวิหารวัตถุนะเราสามารถจะแลกใจโยมไ ด, นได้นะครับที่นั่นจะพูดถึงนะ สวนของสองกับสวนของโยกใช่ไหมสวนของสองมีแต่ว่าอยู่ไกลนะครับและก็สงก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะ mm hmm. พวกอะไรคนดูแลเอาไปกินเสืีอมาก <c oughs> เอาไปกินเสีอมากเอาไมา้ะสมนิดเดียวนะครับ mm hmm. แล้วที่เอาไมาระสมเนี่ยต้องจ่ายค่าน้ำมันมลดเท่าอีกนะ mm hmm. ก็จะขนมาถึงวันขาทุนครับ mm hmm. ไม่ว่านายกาไรเพรากินไป เ, เยอะๆนะพอรีผลมาก็ค่าน้ำมันน้ำมันอีกนะขาทุนนี mm ่ hmm. <c oughs> แต่ว่าเสืนโยมนะเขามีอยู่ใกล้วัด น, นะครับสวนสมอยู่กับสวนของ ส, อใสองใช่ไหมฮะอยู่ใกลแต่เสือของโยมเน่ยอยู่ใกล้เขาเลยมาขอแล่เพราะว่าเสวนของสงองสงเนี่ยมัมนะมอยู่ใกล้กันที่บ้านหรือที่ด่านก็เหมือนกัน้ขามาขอไล่นะก็สงก็าสามไม่ที่จะแล่หน้าเหมือนกัก็กำลนประโยชน์ก็แล้กันนะสาจะแล่หน้านะครั บ, นนะรรบเดี๋ยวมึงจะไ้่ฟังแคนั้นครัข้ า, ขาขวก่อนแล้วก็ ถ้าเป็นอะไรนะนะครับเป็นเตียงต่างอะไรพวกนี้ยนะก็สามารถแลกได้เหมือนกันแล้วบอกว่าถ้าเตียงต่งผู้หนึ่งวัตถุที่เป็นอนัตติยะใช่ไหมถึงว่าโยคขาวายเตียงต่งทองคํามาหรือเปล่ถวายเตียงทองคํามาเตียงหนึ่งนะพระราชาหรือมหาสมัยก่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นเครื่องใช้าศาสนาถึงจะเป็นเงินทองอะไรก็ใช้ได้หมดนะ mm. ไม่ถือว่าเป็นอนามัตินะครับ เอาศาลาไปปูท้องหมวอนิ่งถ้าก็ไปเดินเหยียบหรือว่านั่งนอนอะไรได้เป็นไรเพราะมันคือแขนสีนันสนะไปใช้นส่นตัวไม่ได้ของส่วนตัวไม่ได้นะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเรากําหนดประโยชน์ว่าไอ้เตียงไปเตียงทองคำเตียงใช่ไหมแต่มันมีเตียงเดียวหรอเปลามันก็เสนจประโยชน์นอนได้คนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเอาเตียงทองคําเนี่ยไปแลกเอาเตียงอื่นนะครับโอ้ไม่ได้สักกี่เตียงเป็นร้อยเป็นพันเตียงใช่ไหม หรือไแร่อะไรอย่างอื่นอ่ะที่มันเป็นครุพันธ์ด้วยกันนะครับโอ้ยมันได้เยอะแยแะเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็าสามารถทำได้นะครับนี่นะโอ้ทำเป็นทองขนาดเตียมเนี่ยวงจ ะ, ะาราคาเยอะมากกรตอกกายต่างๆถ้าเิดสมัยนี้ก็คงไม่ไม่ได้แรงนะครับเอาไปตังโช น, นะครับไม่ว่าจะรวยมีเตียนครัอไม่ก็ไม่แรงใช่ไหมแห้ถ้าแรง ม, มีกี่ล้านเนะี่ยเตียนทองคำนะ ต่อไปนะครับอันนี้แล้วก็บอกว่าด้วยของกับเปียกที่มีค่ามากหมายว่าเหมือนถึงเตียงที่ทําด้วยงาเป็นต้นนะครับแล้ว่าผ้าป่าวานพวกนี้ก็มีค่ามากนะครับสามารถที่จะแลกเอาเตียงธรรมนาได้หลายหนึ่งเตียงนะก็สามารถที่จะแลกเอาได้นะครับแล้วก็แบ่งกันใช้นะไม่ได้แจกให้เลยนะครับ mm hmm. แบ่งกันใช้ตามรเราก็เสนาะครับให้ก็เสนามีสิ่งก่อนนะ ไม่ใช่วนเรียนกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้ต้องมีสิ่เพราะว่าบุญก่อนใช่ไหมท่านต้องมีสี่ที่พิเศษนะครับเพราบอกว่าเอ้าถ้าหน้าวากาศเขาเสียเปลียยนไม่เสียหรอถ้าท่านอยากได้เสียใช่ไหมท่านก็อยู่นานๆเพิ่งสึกสิยื้อๆหนึ่งสิาษหนึ่งนั่นก็เป็นสที่พิเศษนี้อยู่เหมือนกันไม่มีใครเสียเปลี่ยนนะครับท่านก็อยู่เถิดท่านก็ได้แนะเดี๋ยวเงรู้สึกนะใช่ไหม S <S ก็ ท, าท่านภาษาอยู่มาตัง้งนานนะคะนะรับท่านก็ไหนน่ยระไพิเศษมากเลใช่นะครับเป็นการเคารพกันกางทวีในกนาะเอ า, าภาษาอังกฤษนาเราไปนะคร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับจัตสระเสรนสนะที่คล่ำคล่ า, าเพื่อรักษาเสน่หะที่มั่นคงหางวองหรือสระนหมดแล้วบริโภคของสงของสมควร ด้วยมูลค่าที่แหกมานั้นควรอยู่นะครับหมายถึงว่าเนาสนาศนะของสงนะครับอมันคืออยู่ในวัดนนะั้นนะมันเป็นสมัยที่พิสาหาหายาชาวบ้านที่อยู่ลำบากภาผู้สุทธิ์สไม่้องพูดถึงเลยนะครับอยู่ลำบากทาอยู่ไม่ได้นะถ้ า, าออกไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรฉันอะมนำบากแต่ขั้นมากนะ แต่มันจะสามารถอยู่ที่นั่นได้นะด้วยวิธีหนึ่งก็คือขายกุฏิกินถ้าขายกุฏิแล้วนะแล้วไม่ได้ผ้าไม่ได้ให้กัปติยะวายาแักการสิทธแล้วก็ได้ปัจจัยมาใช่ไหมโยมก็ไปหาเข้าฟ้าหามาเรียบดูผ้าเนี่ยผ้าก็จะยังสามารถอยู่ในวัดนั่นได้นี่เราท่านก็จะบํารุงดูแลเสนาธิเนศที่เหลือใช่ไหมถ้าวัดหนกาล้ที่มีผ้าอยู่เนี่ยเสนาธิเนศก็จะยังอยู่ใช่ไหมัราเพราะยังมีคนดูแลรักษานะ จีิงแต่ว่าฆ่าฆ่าฆ mm <c oughs> ่าไปมันไม่มีใครอยู่แล้วน่ะมันปล่อยโลรครแล้วใช่ไหมครับแล้วสมัยก่อนเป็นกุฏิไม้กุฏิดินหนึ่งนะคัวขึ้นเสียหายหมดเลยนะครับจริงเราต้องการรักษาเีนาสนะเอาไว้หนะครก็ให้ฆ่าอยู่รักษาเีนาสนะไว้นะโดยการที่นะครับจําหนานะชีลศนะที่มันเข้าคข้าคข่าเก่าแก่ที่สุดนะครับเอาหลังที่มาแบบมันไม่ดีที่สุดนะก็ค่อยจําหนานะครับแต่จะไปขายมันจะหมดวันน่ะไม่ได้นะ ต้องเหลือไม่มั่งนะครับที่ดีๆนะลาทีเก่าๆที่ไม่ดีนะนะครับเอาขายไปขายไร <c oughs> ไน้ลองมากินเอามากินกั น, นะครับนั่นไม่ได้แบ่งเงินนะมาถึงกับพิยาการณาลัวนญาไปหาไอ้ขา้าวปลาหานมลิซัยท่านอยู่ได้ น, นะครับจะได้ดูแล ว, ว่าวาอาราม น, นั่นนะเนี่ยในกรณงนี้ได้นะครับลักษณะนี้อ่าควรอยู่นะครับ ในบรรดาของสองที่เป็นขลุพันห้าหมวดนั้นสามหมวดแรกนะครับใช่ไหมอารามอารามวัตถุวิหารวิหารวัตถุแล้วก็เตียงสั่งพวกมอพวกนี้เขาสามอย่างของอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่ใช่คลุพันไม่มีนะครับทุกอย่างเป็นคลุพันอหมดเลยในสามอย่างสามหมวดแรกนะส่วนในหมวดที่สี่นะครับของสามอย่างนี้คือแค่นี้ก่อนยังไม่เข้า นี้มาดูนะวิธีการแรกสวนนะครับแรกสวนของสงกระสุนของโยมนะเข้าแรกกันยังไงครับก็อาจารย์ทฟังนะตรงนี้ท่านบอกว่าสวนมะพร้าวของสงอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลมากเลยนะอาจจะสักอะไรนะสิกิโลนะครับไกลจากวันนะทั้งพวกกปีกย่ากาเราก็กินเสียมากกว่ามากนะครับ มวยคนนี้ใคร่ดูแลสวนนะกลับไปกินเสี้ยนะครับกินเสี้ยเยอะเลยนะครับแม้ที่ไม่ได้กินที่เอามาให้ประสงค์ที่มันก็ต้องชักออกให้ค่าจ้างเียนเสียสมัย น, นี้ค่าน้ำมันรอบนี้นะค่าจ้างก็ขนมานะครับนํามาถวายน้อยเต็มทีส่วนคนเราอื่นที่อยู่ในบ้านซึ่งไม่ไกลสวนนั้นมีสวนอยู่ใกล้วัดนะครับบ้านเขาอยู่ใกล้สวนใช่ไหมแล้วสวนเขาอยู่ใกล้วัดเรานะครับ เข้าเข้าไปหาสงขอเอาส่วนของตนแลกเอาสวนนั้นสงเพื่อกระโหลกว่าสงเห็นชอบแล้วรับเถิดนะครับก็กรหลกฐานสมใช่ไหมผสมเห็นด้วยก็ได้เลยครับ <c oughs> ถ้าแม้ว่าสวนของพวกพิสูจน์มีต้นไม้ตั้งพันต้นนะส่วนขอ ง, า ง, 1, นนะของชาวบ้านมีต้นไม้ห้าร้อยน้อยกว่านีดถ้ามีผลมากกว่านะครับมันห้าร้อยต้นจริงใช่ไหมแต่เขาก็มีผลเยอะ ก็ไม่ควรเกี่ยวว่าส่วนของท่านแรกนะครับเพราะสวนนี้แรกก็จริงนะครับแต่ที่แท้สวนนี้ย่อกให้ผลมากกว่าสวนนอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่าสวนนี้จะให้ผลเท่าเท่ากันแม้อย่างนั้นจะยอมรับด้วยมุ่งหมายว่าสามารถบริพ่อได้ทุกขณะที่ต้องการก็ควรับถึงจะเท่ากันก็นแน่แต่ใช่ไหม ยังไงถ้ามันอยู่ใกล้วัดน่ะมันก็เสื่ประโยชน์จากพระสมมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับข้อการครับคืออย่างนี้ครับสวนของไม่ในต้ยปาของแรงนะครับแต่ผสมอยากได้สวนที่ยู่กลวัดผสมสามารถที่จะเอารามบอกได้นั่นนี่ให้มายาจังการครับเข้ามายาจัดการต่อไปครับถ้าว่าสวนของโูชาวบ้านมีต้นไม้มากกว่าเนี่ย ส่วชาบ้านมีต้นไม้มากกว่านะครับเขายัางอยากมาแลกกับเรานะเพิ่งกล่าวว่าต้นไม้ของพวกท่านนี้มากกว่าไม่ใช่หรือแราต้องบอกความจริงทุกอย่างเลยนะครับถ้างั้นจะโค้งเล่เหลี่ยมอะไรไม่ได้เลยนะต้องซื่อสาตนะครับถึงเขาไม่รู้ก็ต้องบอกนะเอย่าว่าเนี่ยเป็นของโยมต้นม้มากกวาไม่ใช่หรือถ้าเขาตอบว่าส่วนที่เกินเลยไปจงเป็นบุญของพวกข้าพเจ้านะครับพวกข้าพเจ้าถวายส่งนะครับนี่นะ สมควรให้วิสุทธิสงสร้างแล้วจึงรับไม่นีครัอันนี้นดีเลยนะต้นไม้ของพวกวิสุทธิมีผลออกรล่กแล้วนะครับต้ น, มนไม้อมไววมของพวกชาวบ้านยังไม่ทันผลิผลพึงยอมรับแทนก็รับได้ด้วยแรงเห็นว่าต้นไม้ของพวกชาวบ้านยังไม่ผลิตผลก็จริงแต่ไม่นานก็จะผลิดผล น, นี่ก็รับได้ครับต้นไม้ของพวกชาวบ้านมีผล ต้นไม้ของพวกผู้สุยังไม่ทันลผลผลพึงกล่าวว่าต้นไม้ของโพวกท่านมีผลมิใช่หรือถ้าเขาต่อว่ารับเถิดท่านผู้เจริญจักเป็นบุญแก่พวกข้าพเจ้าเหมือนเดิม น, นะครับแต่ว่าคนนี้มีศรัทธานะที่เหลือถวายสงไปเลยสมควรให้ผิ้สุยสองทราบและรับไว้อาลางกับอาหารพึงแรกการดื้ปัญญาชนี้อาลางวัตถุก็ดีวิหารก็ดีวิหารวัตถุก็ดี กับอาหารพึงแรกกันโดยในนี้แหลกนะครับคือสี่อย่างนั้นแรกกันได้หมดนะอาหาอะไรไม่ถูกมีหามิหาไม่ถูกเราสามารถแลกกันได้เราเสนอประโยชน์ให้ดีเพราะว่าอันไหนสำเร็จเปลี่ยนกับรสมากกว่านะครับแล้วก็สามารถแลกหน้าแต่ว่าเราไม่มีใช่ไหมไม่มีสวนไม่มีไงไม่มีนาเราเจาเจ๋งโอ๊ยแต่ว่าทางเนือมีว่ามีสวนลําใหญ่ เตัวโสมมีสวนเราใหญ่นะ เ, <ล>เมนู่มมาเลงไงนะครับรวมกันนะครับบางทีเขาเก็บผลผลิตได้เยอะมันไม่แน่นะครับเดียวหาได้น้อยต่อไปนะครับอันนี้แรกสวนนะ <c oughs> ต่อไปจะแรกวิหารคือศีล น, นาสนะนะครับอวิหารกับวิหารจะแรกกันอย่างไรเรือนของสงอยู่ภายในบ้านประสาทของชาวบ้านอยู่กลางวัด <c oughs> มันเกิดอะไรเงินขึ้นเนี่ย <c oughs> ทำไมผู้ตีสงไปอยู่กลางบ้านลนะ่ะและประสาทของชาวบ้านมาอยู่กลางว่านี่ยังไงครับเรื่องของสองอยู่ภายในหมู่บ้านเป็นอย่างนีง้คือโยมที่เข้าในบ้านนะ่ะเข้าถวายให้วัดก็ได้คนระับเขาเกิดมีสรัทธาใช่ไหมอ้าโยมจะแยกไปอยู่ที่อื่นนะั้นนะบ้านโยมก็มีใช่ไหมครับก็เลยขอถวายเรือนเนี่ยให้ประสบค์ไเลยนะครับทั้งบ้านทั้งไรถวายสงหมดเลยนะเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของสองไปอยู่ในหมู่บ้านนะ แต่ภาษาขอาชาวบ้านมันอยู่ในวัดห น, นึ่ <c oughs> <c oughs> ง, <c oughs> งเป็นยังไงอยู่ยังไงครับคือาวจะเป็นดครับมเราเพิ่งไปได้วัด อ, อ, อยู่ตรงนั้นวันนี้บ้านของมีก่อนแล้วเป็นไปได้ไมได้ ไ, ไ, ไ, ดไ้ายว่าเขาถวายที่ให้เราใช่มั้ยตรงนี้เขสร้างวัดคุณครับแต่ในที่มีภาษาเขา อ, อยู่หลังหนึ่งมีภาษาคนอื่นน ะ, ะที่เขาเขาเป็นเจ้าของเหาือนกันนี่ไง ก็เลทั้งสองอย่างว่ามีราคาเป็นของเท่ากันนะครับหากว่าชาวบ้านขอเอากระสานนั้นแรกเรือนนั้นสมควรแล้วเนี่ยแลกก็ได้นะเรือนของพวกวิสุทธิมูลค่ามากกว่าและเมื่อวิสุทธิกล่าวว่าเรือนของพวกเรามีราค่ามากกว่านี่นะโอหเรือนนี่มันหลังกี่ละนะ้านโยมมากของโยมนะันละเอครับเขาตอบว่าเรือนของพวกท่านมูลค่ามากกว่าก็จริง แต่ไม่สมควรกับบัมบชิตนี่มันประโยูกลางบ้านนั่นละท่ามัไปอยู่ได้ยงนะครับบัมชิตไม่สามารถอยู่ในเรือนนั้นได้ส่วนเรือนนี้สมควรขอสต์างหลายจงรับเถิดแม้อย่างนี้ก็ควรเล่าเพราะขนมประโยชน์แล้วใช่ไหมว่าที่อยู่ไว้าหนึ่งสํเร็จประโยชน์แก่ประสงค์ได้เยอะนะครับราคาเป็นผล ม, มาเอาความสําเร็จประโยชน์นะครับ <c oughs> ถ้าเรือนของโพ่อชาวบ้านมีราคามากนะ พิสูจน์กรงกาว่าเรือนของพวกท่านมีราคามากไม่ใช่หรือแต่เมื่อเขาตอบว่าช่างเถอดท่านบุญเจริญจะเป็นบุญแก่พวกข้าพเจ้าเปดรับเถิดดังนี้สมควรหลอกนะครับอันนี้น่านี่เหรอนี้ก็แค่นี้นะครับเปลี่ยนกลางได้ไหาเรือนออกมาอยู่กลางหมู่บ้านจะรัแก่ได้ช่างเป็่างอ๋ ที่พักนะครับถ้าเป็นของตัวว่วนของางเรืองที่มนะันรับคำสัวตามเลยอันั้นก็แน่นอครับถ้าเราไปอยู่ในที่พักในห้องนะั้นถ้าในห้อนนะ ง, น, องอนั้นบางท่านจะพูดว่าอะไรนะถ้าออกมาออกมาจากจากอ่องพิภพผมผมพลาดอย่างนั้นผมพลาดถึงเลี้ยวบา แต่ความยินตามที่นัทนนน้ท่านจะบอกว่าอย่างไรเนท่านจะบอกว่าท่านจะบอกได้หงชี้เบี้ยลบากนะครับท่านอยู่ในห้องท่าอะไรนะหรือว่าหงชี้หิวหมาถ้าหงชี้ออต้อง ข, องของึงอยที่ทํากันนะใครจะอยู่ที่มุมนี้ที่หืชี้นนเบี้ยนะที่อะไรนะตอนนั้นนะมันจะมีคุณยายดีเลอร์เขาก็สรัทาให้พระไปพรงอยู่ที่บ้านแกได้เขาจะไปมืองที่ แล้วก็พังไปอยู่ที่นั่ น, นะครับที่เราคุยกันนะ่ะก็คือถ้าในากุฏินะ่ะแล้วก็ขอได้เลยขอจีวาใส่เฉพาะอังสารครับถ้าออกมาก็ห่มฉี่บานนะครับ